พระธรรมเทศนาแผ่นที่ห้าสิบห้าลำดับที่เก้าโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่17เจพฤศจิกายน2556รหมีชื่อเรื่องว่าหน้าที่ยิ่งใหญ่ในฐานะหลานหลวงพ่อเจษ อ่นแต่กระบกเกลียวกระโขกคณะท่าญาติโนมส่วนใหญ่ดอกแต่ว่ากรเกลียวอยู่ภายในวัดของเฮาโวกวัดภายในวัดของเฮาหนาจะรับรูรับทราบรวมกันว่าจุดประสงค์ของหลวงพ่อเนี่ยคื อ, อยังในช่วงนี้อันพวกเฮาบวกหูรวมกันก็นเอเป็นยังยังมิ จยลอยจังสิอ้กันหลวงพ่อได้บอกกาวให้หูจักทั่วหนากันก็นเป็นคำบอกคำกาวของหลวงพอ่อเป็นคำสั่งของหลวงพ่ออ่าก็จะได้ชัดเจนเกันที่ไมต้องพ่อเป็นบอ ก, กสั่นจิงบ่อนพะว่นนั้นหลวงพอ่อก็เลยบอกเออเดี๋ยวเขียนเป็นคำสั่งคำบอกกาวสำหรับภายในวัดของเฮ้า ในช่วงนี้มีงานหยังงานใหญ่งานหนักงานที่พวกเขาจะต้องได้ช่วยกันคิดช่วยกันทำช่วยกันเดินหน้าภาในวัดของเราห น, นึ่งสองสามสี่คือหยั่งเวลาหลวงพ่อจึงได้มีหนังสือจดหมายเป็นคำสั่งคำกล่าวใน กระดาษสแผ่นเให้พวกเข้าได้ฟั ง, บงเบื้องหน้าวันนี้เนอะปลุกหลานบางคนก็มาเกี่ยวของหรอกแต่ว่าแต่ภายในวัดคลองลุงพ่อเนี่ยหลุงพ่อจัดท่าญาติโน้มที่เกี่ยวของปูกไก่เช็ดเนี่ยนาจะรับรูรับซากที่ลุงพ่อจะได้สั่งว่างานของวัดเท่าที่จะเดินไปแบบใดสิเฮ็ดหยังต่อไปภายภาคนาเนี่ยงานมันถึงเป็นงานใหญ่เพราะนั่นมันต้อง พูดให้ชัดเจนอบอแมนพูดกำกำกึ่งกึงนะเราเสี่ยงมาอ่านมาบ้างเนี่ยเสี่ยงมาอ่นานเลยเสี่ยงเลอ่านเดีฟังฟังเฮ้คณะเฮ้ยเป็นผู้สร้งาเงเฮาเป็นผู้อ่านเอง ม, มันบรสิสัทธ์วะกราบขอโอกาสครับผมเขียนที่วัดป่านาคําน้อยวันที่สิบปดพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยห้าสิบหก ประกาศหยุดงานพักงานไว้ก่อนภายในวัดทั้งหมดเพื่อจะได้ไม่พะวงหน้าพะวงหลังงานหลวงปู่จามพวกเราทุกท่านจะต้องช่วยกันคิดช่วยกันทำโดยพร้อมเพียงกันไม่ว่าทางในครัวทางในวัดงานกุฏิของเรางานโงเก็บของสวนลำใหญ่วันที่18พฤศจิกายน2556ห เวลา17นาฬิกาถึง18นาฬิกาเก็บของให้หมดพักงานไว้ก่อนงานหลวงปู่จามของพวกเราลูกหลานจะต้องช่วยกันอย่างเต็มความสามารถของใครของเราโดยพร้อมเพียงกันแต่ถึงอย่างไรผมขอย้ำว่างานภายนอกทุกอย่างไม่สำคัญงานภาวนาหาทางพ้นทุกสําคัญกว่ามากๆ พวกเราท่านทั้งหลายจงตระหนักไว้ในใจเสมอเสมอลงชื่อหลวงพ่ออินทไาวาสันตุสโกเป็นผู้สั่งอันนี้คือเป็นคำสั่งของหลวงพ่อบอกกับพระเนนศรัทธาญาติโยมที่เกี่ยวข้องทำไมหลวงพ่อจึงให้หยุดงานโดยกระทันหันเพราะว่า เราถือว่างานของหลวงปู่จามมหาปุญโญเป็นงานที่ยิ่งใหญ่เราจะต้องช่วยกันแต่อันดับแรกหลวงพ่อก็จะไปดูงานซะก่อนพอลงไปดูเสร็จแล้วหลวงพ่อก็จะได้วางแผนงานจากนั้นใครๆส่งบอกกล่าวมาว่าพระกลุ่มไหนจะลงไปทำหน้าที่อะไรละ ว, วัดสาขาที่จะมีพระไหม ถ้ามีพระหลวงพ่อก็จะเรียกพระวัดสาขาเข้าไปช่วยเข้าไปช่วยดูเกี่ยวกับการถวายจะตกปัจจัยใดจะรมการจัดงานกันอะไรต่อไม่อะไรสําหรับศรัทธาญาติโยมหรือว่าฝ่ายในครัวพอมีเวลาว่างพอจะไปตั้งโรงทานอาหารได้ไหมหรือว่าฝ่ายพระในวัดของเราจะลําเลียงสิ่งของอะไรไปบ้างพวก พวกเต็นที่พวกเราเก็บมาเขาก่อนพวกตะแค่พวกตูเซฟพวกอะไรพวกผ้าพวกบริขารที่จะถวายพระสงฆ์มีอะไรบ้างที่ภายในวัดของเราที่จะขนไปและดมไปเพื่อจะไปช่วยงานของหลวงปู่จามวัดวิเวกวัฒนารามบรนห้วยทรายให้สำเร็จรุ่วงไปด้วยดีนี่แหละ งานนี้เป็นงานใหญ่สําหรับหลวงพ่อเองในฐานะเป็นพระหลานเป็นทายาทเป็นเตือดเชื้อสายโลหิตของท่านฮทั้งเป็นญาติธรรมที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาที่แนะนําที่ท่านแนะนําสั่งสอนด้วยทั้งสองอย่างรวันนั้นเราที่อยู่ไกลข่าวนี้ก็เป็นครั้งสุดท้ายของท่านแต่ในใจของหลวงพ่อเอง หลวงพ่อตั้งจิตปณิธานไว้อยู่ในใจว่าหลวงพ่อเองที่จะเข้าไปดูแลงานใหญ่ก็คือหนึ่งโยมพ่อโยมแม่ของหลวงพ่อผู้ที่สองก็คือหลวงปู่ล่าที่หลวงพ่อใข้เขาไปอยู่ปณิ บ, นนบัติท่านคนที่สามก็คือคุณแม่ชีแก้ว คนที่สี่ก็คืออง์หลวงตาคนที่ห้าก็หลว ง, งปู่จามนะที่หลวงพ่อตั้งตั้งจิตตั้งใจทีจ่จะต้องทุ่มเทยอย่างสุดๆนะพ่อแม่ก็สองหนึ่งยมพ่อยมแม่สองสามคุณแม่ชีแก้วสี่หลวงปู่ลา5ห้า 5, ลวงปู่จามหหลวงตามหาบัวนะ อันนี้ก็คือความในใจของหลวงพ่อที่หลวงพ่อจะต้องเข้าไปจัดการในเมื่อท่านล่วงรับดับขันไปก่อนเราเนปะ็นเสียแต่เราไปก่อนท่านก็สุดวิสัยไม่ก็ไม่ว่าอะไรกันแต่เมื่อท่านไปก่อนเนะี่ยหลวงพ่อคิดตั้งใจไว้อยู่ยวจะช่วยงานในครั้งนี้คราวนี้ครั้งนั้นหรือว่าครั้งทุกครั้งเอาสุดความสามารถ ที่จะช่วยงานของท่านได้ก็ที่ผ่านๆมาพวกเราได้สังเกตไหมที่หลวงพ่อได้ทำผ่านๆมานี่ยแหละงานใหญ่ก็ได้ทำผ่านมางานไหนได้ทำผ่านมาแต่คราวนี้เป็นงานของหลวงปู่จามมหาปุญโญที่หลวงพ่อจะต้องได้เข้าไปทุ่มเทยอย่างสุดความสามารถเีกเช่นเดียวกันแปลว่าจบภาระของหลวงพ่อแล้วละทีนี้คงไม่มีอะไรนอกนั้นก็ กลุ่บายอาจารย์องค์อื่นๆก็ทําหน้าที่องค์อื่นๆไปนี่แหละอันนี้ก็คือทีอ่บอกประกาศหรือว่ากล่าวลูกหลานเกี่ยวข้องคณะจัทาาตารายาโยมที่เกี่ยวข้องลุกศิษย์ลูกหาที่เกี่ยวข้องอที่จะจัดงานอของหลวงปู่จามข่าวเนี่ถือว่าเป็นหน้าที่หน้าที่ของหลวงพ่อโดยตรง หลวงพ่อคงขยับขยเรื่อนไม่ได้ถึงใครจะนิมนต์ไปที่ไหนหลวงพ่อบอกว่าหลวงปู่ยามเป็นเรื่องใหญ่กว่าลูกหลานจะนิมนต์ก่อนนิมนต์ได้แต่หลวงพ่อจะรับหรือไม่หลวงพ่อจะต้องพิจารณาตามเรื่องเหตุและผลอย่างเมื่อวานก็มีจตหาญาติโจมมานิมนต์ในช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาหลวงพ่อก็บอกว่ารับไว้พิจารณา แต่ยังไ ม, ไม่ถือกันนะทางไม่ได้ไปแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องพูดอะไรกันก็ให้รู้กันว่านี่งานของหลวงพ่อที่ยิ่งใหญ่ก็ ค, คืองานหลวงปู่จามจะต้องเข้าไปใกล้ชิดเข้าไปดูอย่างใกล้ชิดขาดเหลือขาดตกอะไรมีอะไรมีปัญหาอะไรหลวงพ่อจะต้องเข้าไปดูเข้าไปดูประจัดการงานหลวงปู่จาม หลวงพ่อก็บอกว่าควรจะรับหรือว่าพระราชทานเพลิงสติล์ของท่านเดือนเดียวก็น่าจะเพียงพอมัง่งขอไฟพระราชทานซะแต่ว่ามันลุกชีพลูกหาของหลวงปู่หลายคนคนหนึ่งคิดจังหนึ่งคนหนึ่งคิดจังนึงในช่วงนั้นกระพงนิสุก็เลยออกมาว่าเป็นงานพระราชทานเพลิงวันที่18มกรา เจ็ดชนปีพอดีพอดีพอชนปีเสร็จแล้วหลวงพ่อก็เราจะคอยไปถึงชนปีคงไม่ไหวเพราะว่างานอย่างเยอะยังยาวนานเหลือเกินเพราะนั้นหลวงพ่อยังได้ถอยถอยออกมาพอถอยมาก็ให้พวกน้องๆ้องลูกหลานทั้งหลายเขาจัดทําไปเราก็อยู่ห่างๆดูว่า งานตรงไหนบ้างควรจะทำอย่างไรแล้วก็ฟังฟังก็มาปรึกษาบ้างไม่ปรึกษาบัางเอาให้เขาทำทาไปแต่บัด น, นี้ออกพรรษาแล้วเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้าง เ, าเป็นวันที่หามกราห้ 7, าไม่ใช่วันที่18นะวันที่18มกราห7เ็ไม่ใช่ลดลงมาแล้วเป็นวันที่หามกราห้5 7จากนี้ไปก็เดือนกว่าเพราะนั้น หลวงพ่อก็คิดว่าเหมาะสมที่จะเข้าไปเข้าไปดูอย่างใกล้ชิดแล้วก็พร้อมกันงานของหลวงปู่ที่หลวงพ่อไปเมื่อออกพรรษาเนี่ยก็ไปดูดูแล้วละ่ะงานก็รู้สึกออกไปได้ดีทุกสิ่งทุกอย่างก็ราบรื่นไม่ว่าถนนหนทางไม่ว่าห้องน้ําแต่ห้องน้ําก็พยายามทําให้มากที่สุดได้ประมาณสองร้อยกว่าห้อง แต่พอไหมหลวงพ่อก็ยังคิดอยู่ทามากได้กว่านั้นก็ดีแต่กับหลวงพ่อออกลปงไปนี่นก็คงจะระดมพวกเต้นพวกอะไรเข้าไปอีกเพื่อจะให้งานเป็นไปด้วยเรียบร้อยเลยอบ่กงานนิ ม, มนต์พระสงฆ์จะนิ ม, มนต์ระดับไหนอย่างไรอันนี้หลวงพอ่อจะต้องลงไปพูดคุยกับคณะกรรมการพวกลูกๆห ล, ล, ล, ลานอีกที่นึง เพรางานหลวงปู่จามไม่ใช่งานธรรมดาเป็นงานระดับประเทศเหมือนกันงานงานระดับชาติเหมือนกันทางฝ่ายพระสงฆ์นี่ก็ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันต้องระดับสมเด็จนีที่จะมาเป็นประธานทางฝ่ายพระสงฆ์นะแล้วก็ทางฝ่ายบ้านเมืองก็คงจะระดับจังหวัดหรือระดับที่กเป็นลูกศิษย์ลูกหาของท่านก็นมีมาก พอสมควรแต่ลุงพ่อเองก็ไม่กล้าที่จะพูดว่าใครบางจะมาบ้านเมืองกับอย่างทุกวันนี้กัมาลุง ม, มาตุ่มกันอยู่ไม่รู้อะไรต่อมิอะไรแต่ว่าวลูกศิษย์ลูกหาเมื่อท่านยั ง, งทรงธาตุทรงขันอยู่เขามากราบมาไหว้ท่านก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกันเพราท่านอายุมากเป็นร่มโพล่มไสของลูกของหลานใครมาก็มากราบมาไหว้ ท่านก็ให้ความเมตตากับทุกคนหลวงปู่จามแต่บันนี้ท่านจุติไปแล้วพวกเราที่อยู่เบื้องหลังก็ไม่มีอะไรที่จะแสดงออกก็มีแต่แสดงออกถึงความกตัญญูกตวเวทิตาไปช่วยกันพระราทานเพลิงสรีระของท่านเพื่อกราบไหว้เคารพสักการะบูชาของลูกของหลาน พร้อมเพียงกันเชิดชูบูชาโดยพร้อมเพียงกันเท่านั้นแหละก็ไม่มีอะไรที่จะแสดงออกยิ่งไปกว่านี้ในฐานะที่หลวงพ่อเองเป็นพ่าหลูกลานของท่านหลวงพ่อก็พยายามที่จะทำให้ดีที่สุดฮะฮะมองมองให้ดีที่สุดทำให้ดีที่สุดโอบอ้อมอารีพี่น้องหลูกหลานให้ดีที่สุด อสรุปแล้วก็คิดค ด, ดีที่สุดทําดีที่สุดพูดดีที่สุดนะอันไหนที่สุดจุดไหนหลวงพ่อจะอยู่จุดนั้นนะเชี่ว่ามันไม่ดีหลวลงพ่อจะไม่ทํานะจะไม่ทำํำคิดไม่ดีทําไม่ดีพูดไม่ดีจะไม่ทำํำในจุดนั้นฮนะดังั้นขอให้พวกเราคณะสัทธาญาตโยมลูกหลานลูกศิษย์ลูกหาที่มาเกี่ยวข้องกับหลวงพ่อเนอะจะ ช, ช่วยกันคิดนอะงานนี่ งานของลุงพ่อเป็นงานที่ลุงพ่อหนักพอสมควรงานนี่แล้วก็จนถึงว่างานภายในวัดทุกอย่างต้องงดซก่อนแต่ถึงอย่างไง เ, เงินเรื่องงานภาวนาอย่าไปงดนั่นแนะแต่ลงพ่อก็บอกจะบอกพระในวัดของลงพ่อถึงใครอ ย, อยู่เฝ้าวัดก็าตามนะก็ไม่ให้ถื อ, อยาให้ถือว่าหนักใจว่าปัดกวาดที่ตรงไหนที่มันกว้างจะปัดกวาดยังไง เถ้าหากว่ามันลกลุงลางจริงๆงก่อนนะ่ะขอพี่น้องชาวบ้านลูกหลานนักเรียนมาช่วยช่วยปัดกวาดก็ได้เอ่อเอ า, เอ า, เอ า, เอานักเรียนเอารม่มนักเรียนมาปัดกวาดวันนี้หรือจะทำมันลกเกินไปทําไม่ลกก็ไม่เป็นไรทิ้งไว้ก่อนแล้วก็ให้พวกเราตั้งอกตั้งใจภาวนานะนะั่นแหะเออให้ภาวนาไม่ได้ถือว่าเป็นจึงจําเป็นสําคัญเพราะว่า งานทางน้นมันสำคัญกว่าแต่งานทางนี้เปลี่ยนแต่ว่าประคับประคองช่วยกันดูแลตอนนั้นและเก็ฝากฝัง ก, กับพวกผู้เฒ่าผู้แก่ช่วยช่วยกันดูนะวัดวาศาสน า, ศาถ้าหลวงพ่อไม่อยู่ก็ให้ช่วยช่วยกันดูหลวงพ่อเป็นห่วงแต่เรื่องนั้นนะเรื่องขโมยโพยโจรมาเกี่ยวกับมาขโมยปงขโมยปลาเรื่องมาทำไม่ดีเสื่อมเสียสักสีอันนี้เขขอฝากไว้กับ ผู้หมวดดิดผู้เหมวดเอกนี่แหละช่วยๆกันดูนะหน้าที่โดยตรงพวกเราท่านทั้งหลายและก็พวกผู้เฒ่าผู้แก่ทั้งหลายก็ช่วยๆกันดูว่างๆก็มาปัดมา ก, กวาดช่วยๆกูบา้ดยนะเพราะว่าหลวงพ่อไม่อยู่มีภารกิจอย่างที่หลวงพ่อได้บอกกล่าวให้กับพวกเราทุกคนได้ทราบนั่นนะเป็นภารมี เป็นหน้าที่หรือว่าเป็นธุรกิจเป็นเพราะที่จำเป็นสำคัญที่เราหลีเกเลี่ยงไม่ได้เพราะงานนะั้นเป็นงานที่ยิ่งใหญ่เราจะต้องช่วยกันดูช่วยกันจัดช่วยกันทาเพื่อเป็นสิริเพื่อเป็นมงคลสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายเป็นบุญเป็นกุศลของพวกเราอีกต่างหากนะไม่ใช่ทาเสร็จแล้วไม่ใช่ทาเพื่อท่านนะทเพื่อเรานะ ทำเพื่อเราท่านไม่มีอะไรแต่ท่านจุดจุติไปแล้วจุดจุตินิราานไปแล้วพวกเราที่อยู่เบื้องหลังเราจะทำยังไงก็เป็นหน้าที่ของพวกเราบุคคลโมราณว่าเก็บดูกหลังฝังดูข้างเพื่อให้เป็นเรียบร้อยทุกอย่างให้เรียบร้อยราบรื่นจะให้มีอุปสักนานับปการเพื่อเทิดชูบูชา พระคุณของพ่อแม่คู่บ้ายอาจารย์ผู้มีอุปการะคุณกับเราน ะ, ะต่อนนี้ไปรับพร น, นินธนินดะรอนุทนให้พ้เออวันนี้เป็นวันลอยกระทงนะพวกลูกหลานนะวันนี้เป็นวันสิ้นปีเป็นวันสิ้นปีของปีพุทธศักราช2556อ่าเป็นวันเทศ ก, กาลเป็นวันลอยกระทงอ่าเป็นวัน บมเขตของกรถินวันนี้แหละแปลว่าออกจากวันนี้ไปกับหมดละไม่มีกรถิ่นอีกละมีแต่เป็นผ้าป่าบะเนี่ยปีสองพันห้า้อยห้าสิบหกเพราะนั้นฟันได้ถือว่าเป็นวันสําคัญวันหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่วันสําคัญในทางพระพุทธศาสนานะเป็นวันสําคัญของทางโลกเป็นวันสําคัญของในครั้งพุทธกาลกรับวันนียเป็นวันนักกษัตริย์หรือว่าเป็นวันปีใหม่เป็นวันที่หนึ่งหรือว่าเป็นวันปีใหม่เป็นวันที่ คนทั้งหลายในยุคสมัยนั้นเขาไม่มีไฟฟ้าใช้นะแต่มันเดือนนี้มันเป็นเดือนที่ไม่มีก้อนเมฆหมอกแล้วก็เป็นวันเดือน12บสองเพลนพระจันทร์เต็มดวงอากาศก็ปลอดโปร่งจากนั้นเขาก็มีการลเล่นกันในประเทศอินเดียเขาก็เลยเป็นประกาศวันเป็นวันลอยกระทง เป็นผลวัดเป็นวันพบวันเจอกันในชุมชนในกลุ่มของเขาอันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญในยุคสมัยนั้นแต่ไม่ใช่สำคัญในทางพระพุทธศาสนาในวันสาคัญพระพุทธศาสนาคือวันมาฆบูชาวิสาบูชาวันอาสระหะบูชาวันเข้าพรรษาออกพรรษาของพระสงฆ์อันนั้นคือวันสาคัญในทางพระพุทธศาสนา แต่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่วันสำคัญในทางพุทธศาสนาเป็นวันสำคัญเป็นวันรื่นเริงเป็นวันนั ก, กษัตสัตย์ของคนในยุคสมัยนั้นเป็นที่ประกาศให้รับผู้รับทราบกันเป็นวันพบเป็นวันเจอกันเป็นวันสังสรรค์กันเหมือนกับวันปีใหม่ทุกวันนี้แหละสมัยนั้นนะเพราะคนสมัยนั้นไม่มีไฟฟ้ า, ฟาใช้เขาก็เลยใช้ดวงเดือนนั่นแหละ เป็นเป็นแสงสว่างนะหลับพรอนุโมทนาให้พร